16. ผลของการดูจิตเมื่อจิตตื่นขึ้นจิตจะหลุดออกมาจากโลกสมมุติเห็นกระบวนการปรุงแต่งของจิตและเห็นสภาวะตามความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้มีแต่ความทุกข์มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับความสุขความทุกข์กุศลอกุศลจะเกิดขึ้นก็เกิดเองบังคับไม่ได้เพราะเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเวลาใดที่จิตออกไปรับรู้รูปนามทางตาหูจมูก ลิ้นกายมาปรุงแต่งก็จะเกิดความทุกข์เมื่อจิตเข้าใจพฤติกรรมมากเข้าก็จะฉลาดขึ้นปล่อยวางความยึดถือกายและใจว่าเป็นของเราเพราะเมื่อใดที่ไปยึดถือเข้าก็จะเกิดความทุกข์ทันทีใจก็จะหยุดดิ้นปล่อยวางกายและใจคืนให้ธรรมชาติเมื่อจิตพ้นความปรุงแต่งก็จะเห็นโลกที่ไม่ปรุงแต่งในวงเล็บนิพพานและพ้นทุกข์ในที่สุด